รู้ความจริงแล้วทำผิดไม่ได้ถ้าจิตตกกระแสแล้วไม่กลับความชั่วนิดหน่อยนั้นพ้นแล้วโสดาท่านว่าจิตน้อมไปแล้วท่านจึงว่าพวกเหล่านี้จะมาสู่อบายอีกไม่ได้มาตกนรกอีกไม่ได้จะตกได้อย่างไรจิตละบาปแล้วเห็นโทษในบาปแล้ว จะให้ทำความชั่วทางกายวาจาอีกนั้นทำไม่ได้เมื่อทำบาปไม่ได้ทำไมจึงจะไปสู่อบายทำไมจึงจะไปตกนรกได้มันน้อมเข้าไปแล้วเมื่อจิตน้อมเข้าไปมันก็รู้จักหน้าที่รู้จักการงานรู้จักปฏิปทารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบารู้จักกายของเรารู้จักจิตของเรารู้จักรูปเรานามเรา สิ่งที่ควรละวางก็ละไปวางไปเรื่อยๆไม่ต้องสงสัย